สิขาบทที่9ว่าด้การให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรการเรื่องภิกษุณีทุลนันทา920สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันารามของอนาถาวินทิกาศษ ธ, ธีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นตระกูลอุปถาของภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่า แม่เจ้าถ้าพวกเราสามารถก็จะถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์ครั้นภิกษณีทั้งหลายจำพรรษาแล้วประชุมกันด้วยประสงค์จะแจกจีวรภิกษุณีทุลนันทาได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายโปรดร อ, อก่อนภิกษุณีสงฆ์มีความหวังในจีวรภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้าเชิญท่านไปสืบดูจีวร น, นั้นให้รู้เรื่อง ภิกษุณีทุลนันธาเข้าไปถึงตระกูลนั้นครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับคนเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์คนเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเรายังไม่สามารถที่จะถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีทุลนันธ า, น, านำเรื่องนั้นไปบอกให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนนานําหนิเรณามโขนธนาว่า ชนัยแม่เจ้าทูลนันทาจึงให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวราการด้วยความหวังในจีวรที่เลื่อนลอยเล่าครั้นแล้วพิกษุนีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกพิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกพิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกาบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงสราร